การเจริญสมาธิสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างไรพึงสร้างเสียก่อนว่าสมาธิแบ่งได้เป็นสองคือโลกิยะและโลกุตระในแห่งการเจริญอริยมรสมาธินั้นสงเคราะห์เข้ากับในแห่งการเจริญปัญญาได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อปัญญาเจริญแล้วมรรคสมาธินั้นก็ย่อมเป็นอันเจริญด้วยแท้เพราะเหตุนั้น เราจะไม่มุ่งเอามาัคคสมาธินั้นมากล่าวเป็นแผนกหนึ่งต่างหากว่ามาัคคสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างในอย่างนี้ส่วนว่าสมาธิอันเป็นโลกียะนี้ใดโลกียสมาธินั้นอันพระโยคาวจรผู้อย่างศีลทั้งหลายให้หมดจดโดยในที่กล่าวแล้วตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วบรรดาปริพอดสิประการปริพอดใดของเธอมีอยู่ตัดปริพอดนั้งเสีแล้วเข้าไปหาท่านผู้ให้กรรมฐาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรถือเอากรรมฐานสี่สิบข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอนุกูลแก่จริยาของตนละวิหารอันไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิเสียอยู่ในวิหารอันเหมาะตัดความกังวลเล็กๆน้อยๆเสียให้หมดด้วยแล้วพึงเป็นผู้ไม่ทำภาวนาพิธทีทั้งปวงให้บกพร่องไปเจริญขึ้นเถิดนี้เป็นความสังเฉต ใ, ในการเจริญสมาธินั้น บรรดาปริพโทสิบประการปริพโทใดของเธอมีอยู่ตัดปริพโทนั้นเสียนี้ก่อนเครื่องกังวลนั้นคืออาวาสตระกูลลาบคณะและการงานเป็นที่ห้าการเดินทางญาติอาพาธการเล่าเรียนและฤทธิ์รวมเป็นสิบเครื่องกังวลสิบนี้แลชื่อว่าปริพโทสอาวาสปริพโท แม้ห้องที่นอนได้เล็กๆห้องหนึ่งก็เรียกว่าอาวาทแม้บริเวณบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าอาวาทแม้สังขารามทั้งหมดก็เรียกว่าอาวาทอาวาทนี้นั้นหาเป็นปริโพศต่อบพิสูุนทั้งปวงไปไม่ก็แต่พิสูจนใดต้องขวนขวายในการงานต่างๆมีการก่อสร้างเป็นต้นในอาวาทนั้นก็ดีมีการสังสมสิ่งของไว้มากในอาวาทนั้นก็ดีมีความอาลัย ใจผูกพันอยู่ในแวาดนั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีาวาดนั้นจึงเป็นปริโพศสำหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแก่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นนิทัศนะในความที่าวาดไม่เป็นปริโพศนั้นมีเรื่องเล่าว่ากลุบทชสองคนออกจากเมืองอนุราทัปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัถูปารามบรรพชิสองรูปนั้น รูปหนึ่งเรียนมาติกาได้คล่องสา ม, มาติกาเป็นผู้มีภาษาครบห้าปรารณาแล้วไปสู่ชนชนบทชื่อปาจีนขันธราชีรูปหนึ่งคงอยู่ในถูปารามนั้นรูปที่ปลายปาจีนขันธราชีอยู่ที่นั่นนานจนเป็นพระเถระแล้วคิดว่าที่นี่เป็นที่เหมาะสมแก่การที่จะเล่นอยู่มาเราจะบอกความนั้นแก่ภิกษุผู้สหายด้วยเถิด แล้วออกจากชนบทนั้นเดินทางไปจนย่างเข้าสู่ถูปารามพระเถระผู้รูมภาษาเห็นท่านกำลังเดินเข้าวัดมาก็ไปต้อนรับช่วยรับบาตรจีวรทาอาคันตุกะวัดพระเถระอาคันตุกะเข้าสู่เสนาสนะที่พักแล้วคิดว่าประเดี๋ยวสหายของเราจะต้องส่งเนยายหรือน้าอ้อยหรือน้ำปาณามาให้หรอกเพราะเธอเป็นผู้อยู่มานานในนครนี้ แต่คอยจนกลางคืนท่านก็ไม่ได้รับสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้าจึงคิดใหม่ว่าทีนี้เธอจะต้องส่งข้าวต้มและกลับที่พวกอุปถาสมาให้เราละแม้ข้าวต้มและกลับที่คิดนั้นก็ไม่ได้เจอจึงคิดต่อไปว่าเออนะของส่งมาไม่มีพวกอุปถาคงจะคอยถวายเมื่อเธอเข้าไปบิณฑบาตประมงตกลง เข้ากรงเพื่อบินทบาทกับพระเรถระเจ้าถิ่นนั้นแต่เช้าท่านทั้งสองเดินไปในถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มกระบบยเดียวก็ไปนั่งดื่มกันในโรงฉันถึงบัดนั้นท่านอาคันตุกะก็ยังคิดอยู่ว่าข้าวต้มประจำที่จะไม่มีในเวลาฉันข้าวสวยนี่แหละคนทั้งหลายคงจะถวายข้าวอย่างประนีตระแต่แล้วแม้ถึงเวลาฉันข้าวสวย ท่านก็ไดฉันอาหารที่ไปบินธบัตได้มานั่นเองนิ่งต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านเลี้ยงอัตภาพมาอย่างนี้ตลอดการหรือเมื่อพระเถระรับว่าเป็นอย่างนั้นจึงออกปากชวนว่าท่านผู้เจริญชนบทปาจีนขันธราชีเป็นที่ผาสุขเราไปอยู่ที่นั่นกันเถิดพระเถระรับปากตกลงไปก็ออกจากพระนครทางประตูด้านใต้ เดินไปตามทางที่จะไปหมู่บ้านช่างอนอเลยทีเดียวไม่ต้องกลับไปวัดเสก่อนพระอักันตุกะจึงทวงว่าอย่างไรท่านจึงเดินทางไปทางนี้เล่าพระเถระตอบว่าอังูโซท่านกล่าวสรรเสริญชนบทปา จ, จีนขันธราชีมิเฉ่หรือจะไปชนบทนั้นก็ต้องเดินไปทางนี้น่ะสิท่านอานักันตุกะประหลาดใจที่ท่านไม่กลับไปเก็บของที่วัดจึงว่าก็ในที่ที่ท่านอยู่มานานถึงเพียงนี้ อธิเรกบริขารสักอย่างก็ไม่มีดอกหรือท่านรับว่าจ้าอาวุโสเตียงตังที่เราใช้ก็เป็นของสงเราก็เก็บมันเรียบร้อยแล้วของอะไรอะไรอื่นก็ไม่มีจึงไม่จำเป็นต้องกลับไปวัดก่อนท่านอาคารุกะบอกว่าแต่ไม้เท้าและกระบอกน้ำมันรองเท้าโลกบาทของกระผมยังอยู่นั่นพระเถระว่าอาวุโสท่านมาพักอยู่วันเดียว ยังมีของมาไว้ถึงเท่านั้นเทียวนะท่านอาคันตุกะรับว่าอย่างนั้นมีจิตเลื่อมสายไหวพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญสำหรับภิกษุอย่างท่านอรั ญ, ญาวาสคือการอยู่อย่างอยู่ป่าย่อมเป็นได้ในที่ทุกแห่งไปถูปารามเป็นที่บรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ได้ฟังธรรมที่เป็นสัพยะในโลหะประสาท ได้ชมพระมหาเจดีย์และได้พบพระผู้ใหญ่เป็นไปราวกับพุทธการขอท่านจงอยู่ต่อไปในถูปารามนี้เถิดอย่าต้องไปปาจีนขันธราชีกับกระผมเลยดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือบาดจีวรนกลับไปแต่ตัวผู้เดียวอาวาสย่อมไม่เป็นปริพศสาหรับภิกษุเช่นพระเถระผู้อยู่ในถูปารามนี่แลกุละปริพศจตระกูญญาตก็ดี ตระกูลอุปถาก็ดีชื่อว่ากุละจิงอยู่สมรับติสุบางรูปผู้อยู่คุกครีกับคนในตระกูลสนิทจนใจผูกพันกันโดยในว่าเมื่อเขาเป็นสุก็สุขด้วยดังนี้เป็นต้นแม้แต่ตระกูลอุปถาก็เป็นบริพอดได้จะกล่าวอะไรถึงตระกูลญาติเล่าภิกษุเช่นนั้นจะพลากจากคนในตระกูลไปแม้แต่วิหารใกล้เคียงเพื่อฟังธรรมก็ไม่ได้ สำหรับภิกษุล่งรูปแม้แต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็หาเป็นปริพนธ์ใหม่ดังเช่นภิกษุหนุ่มผู้หลานของพระติสาเถระผู้อยู่ณนะโกรันทกะวิหารมีเรื่องเล่าว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ไปโรห a ชนบทเพื่อเรียนบาลีฝ่ายอุบาสิกายมผู้หญิงผู้เป็นน้องของพระเถระก็ถามข่าวเธอกับพระเถระอยู่ร่ําไปจนวันหนึ่งพระเถระท่านรานําคาญคิดว่า จะต้องไปนาภิกษุหนุ่มกลับมาสิทีจึงออกเดินมุ่งหน้าไปโร hana ชนบทข้างภิกษุหนุ่มก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่มาขนานแล้ววันนี้เราจะต้องไปเยี่ยมพระอุปชายะและทราบข่าวอุบาสิกาแล้วก็อยกลับมาดังนี้แล้วก็ออกจากโร h ณ n ชนบทมาท่านทั้งสองมาเจอกันที่ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งภิกษุหนุ่มนั้นก็ทาอุปชายะวัดแด่พระพิเทระที่คนไม้ต้นหนึ่ง ท่านถามว่าจะไปไหนก็เรียนความที่กิจนั้นให้รรทราบพระเถระจึงคิดว่าเธอทําดีแล้วแม่อุบาสิกาก็ออกถามถึงเธออยู่ไม่ได้ขาดถึงตัวฉันมานี่ก็เพื่อวความกลับไปของเธอนั่นแหละเธอไปเถิดส่วนฉันจะจําจะพักจำสานีในวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งในถิ่นนี้ละ่ะดังนี้แล้วส่งภิกษุหนุ่มนั่นไปเธอไปถึงโกรันทกะวิหารนั้นในวันเข้าพรรษาพอดี แม่เสนาสนะที่ได้แก่เธอก็คือเสนาสนะที่โยงผู้ชายของเธอให้สร้างไว้นั่นเองครั้นวันรุ่งขึ้นจากวันขบันษาโยงผู้ชายของเธอมาถามพระเสนาสนะคาอาปะว่าท่านเจ้าข้าเสนาสนะของข้าพเจ้าได้แก่ใครได้ยินว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มอาคันตุกะจึงไปหาเธอไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าสําหรับภิกษุผู้ขบรนษาในเสนาสนะของข้าพเจ้า มีวัดที่จะพึงปฏิบัติอยู่เธอสักถามว่าวัดว่าอะไรท่านอุบาสกโยมผู้ชายจะบอกว่าวัดนั้นคือพึงรับภิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าแห่งเดียวตลอดไตรมาสประการหนึ่งปวารณาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาประการหนึ่งเธอรับโดยดุจเสนียภาพฝ่ายอุบาสกกลับไปเรือนบอกอุบาสิกาว่า พับคุณท่านอาคันตุกะรูปหนึ่งเข้าภาษาในอาวายของเราพึงบำรุงโดยเคารพเถิดอุบาสิกาก็รับคำว่าสาธทุแล้วให้จัดขาธิญญาโพชิยญอันประณีตไว้ข้างพิสูจนหนุ่มถึงเวลาฉันก็ไปเรือนของญาติไม่มีใครจำเธอได้สักคนเธอฉันบินทบาทที่เรือนนั้นจำภาษาจนตลอดไตรมาแล้วก็บอกลาว่าอาตมาจะไปละครั้งนั้นพวกญาติของเธอขอร้องว่า พรุ่งนี้ค่อยไปเถิดเจ้าค่าวันรุ่งขึ้นเลี้ยงเธอที่เรือนนั้นแล้วเติมน้ามันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดอกยาวข้าวศอกผืนหนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้เธอไปเธอทำอนุโมทนาแล้วก็มุ่งหน้าไปโรหณชนบทฝ่ายพระอุปัชฌาย์ของเธอปรากนาแล้วเดินทางย้อนมาก็ได้พบเธอในที่ที่เคยพบกันนั่นเองเธอไหว้พระเถระแล้วได้ทาอุปัชฌายวั แด่พระเถระที่คขนมาแห่งหนึ่งเช่นเคยครั้แล้วพระเถระถามเถธอว่าอย่างไรพ่อพัทธมุกผู้มีหน้าแจ่มเธอได้พบอุบาสกและอุบาสิกาของเธอแล้วหรือเธอรับว่าได้พบแล้วแล้วก็เล่าประพฤติการทั้งปวงถวายทาเท้าของของพระเถระด้วยน้ํามันนั้นทําปานะด้วยน้ําอ้อยถวายถวายผ้าสาดกผืนนั้นแหละแด่พระเถระ ไหว้แล้วเรียนว่าโรหณชนบทเท่านั้นเป็นที่สับไปและสําหรับผมขอรับแล้วก็ลาไปข้างพระเถระก็มาสู่โกรันทกาวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกาคามฝ่ายอุบาสิกาหวังใจว่าหลุงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋ยวนี่ละก็เฝ้ายืนมองผลทางอยู่ทุกวี่วันวันนั้นนางเห็นท่านมาองค์เดียวสําคัญเอาว่า จะลอยบุตรของตัวตายเสยแล้วพระเถระนี้จึงมาแต่ผู้เดียวก็ฟกปลงร้องไห้คร่ำครวญอยู่แทบเท้าพระเถระพระเถระนึกรู้ว่าลิสุหนุ่มมาแล้วไม่ให้ใครรู้จักตัวเพราะความมักน้อยกลับไปเสียแล้วละสนอจึงปลอบนางให้คลายปริเทวะแล้วเล่าปร ะ, ประพฤติเหตุทั้งปวงให้ฟังแล้วนำผ้าสาดอกผืนนั้นออกจากตลกบาดแสดงให้เห็นเป็นพยาน อุบาสิกาทราบความจริงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสหันหน้าไปทางพิที่พระลูกชายไปพังภาพโรงนำมส ก, การพลางกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าคงจะทรงทำภิกษุผู้เช่นดังบุตรของเรานี่แหละหนอให้เป็นกายสักขีคือผู้ถูกชี้เป็นตัวพยานตรัตรถทวินีตะปฏิปทานาลกะปฏิปทาตวัตกะปฏิปทาและมหาอริยวงปฏิปทา อันแสดงความสันโดษด้วยปัจจัยสี่และความยินดีในภาวนาหน้าสรนเสริญแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล่าวแท้ๆถึงสามเดือนเธอก็ไม่ได้ปริปากว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาโออัจฉริยมนุษย์สำหรับภิกษุผู้มีจิตไม่ติดข้องอย่างนี้แหลแม้แต่มารดาบิดายังหาเป็นปริพอดไม่จะกล่าวยายถึงตระกูลอุปถาอื่นด้วยประการชนี ลาบปริพภดปัจจัยสี่ชื่อวันลาบถามว่าปัจจัยสีนั้นเป็นปริโภดได้อย่างไรแก่ว่าก็ในที่ที่ภิกษุผู้มีบุญไปคนทั้งหลายย่อมถวายปัจจัยมีของบริวารมากเอโมอันโมทนาโมแสดงทรามเก่กคนเหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสจะทำสมณธรรมตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงปฐมยามต้องเกี่ยวข้องกับคนไม่ได้ขาดสายซ้าตอนเช้ามืดเล่า พวกพิสูจผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดประเภทพาหุรลิกะคือมากๆด้วยผัจจัยก็พากันมาบอกว่าท่านผูดเจริญอุบาสกโนนอุบาสิกานโนนอมาร์ตนโนนบุตรอมาร์ตน้นนธิดาอมาร์ตนโนนใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกพิสูจน์เหล่านั้นให้ช่วยถือบาจีวอนแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ทองขวนก้ายในการสงเคราะห์พวกอื่นอยู่เป็นนิด ปัจจัเหล่านั้นย่อมเป็นปริพศต่อภิกษุนั้นดังนี้อ่านภิกษุเช่นนั้นต้องละทิ้งคณะเสียจะริกไปแตผู้เดียวในถิ่นที่คนไม่รู้จักเธออย่างนี้เธอจึงจะตัดปริพศน์ั้นเสียได้คณะปริโภน์คณะภิกษุผู้เรียนพระสูตก็ดีคณะภิกษุผู้เรียนพระอภิธรรมกด็ดีชื่อว่าคณะภิกษุใดมัวให้อุเทศบ้างปริพุชชาบ้านแก่คณะนั้น ย่อมม่ได้โอกาสสำหรับสมณะธรรมคณะจึงเป็นปริโพศต่อพิสุนั้นคณะปริโพศนั้นเธอพึงตัดเสียด้วยวายทางต่อไปนี้ถ้างานเรียนของพิสุเหล่านั้นเสร็จไปแล้วมากงานที่เหลือน้อยไซเธอพึงทำงานนั้นเสียให้เสร็จแล้วเข้าป่าไปเสถิดถ้างานที่เหลือแล้วน้อยที่เหลือมากไซเธอพึงไปหาคณะวาจกคือผู้สอนหมู่อื่นให้สอนแทนอย่าพึงไปไกลเลยหนึ่งยต เข้าไปหาคณะวาจกอื่นซึ่งตั้งสนักอยู่ภายในที่กำหนดหนึ่งโยต์ขอร้องให้ท่านช่วยสงเคราะห์พิสูจน์ในคณะของตนด้วยสังหาวิธีมีให้อุเทศเป็นต้นแทนตนเถิดแม้นไม่ได้อย่างว่ามานี้ก็พึงบอกพิสูจน์เหล่านั้นว่าอาวโุโสทั้งหลายกิจอย่างหนึ่งของข้าพเจ้าไม่อยู่ไม่อาจสอนท่านทั้งหลายต่อไปได้เชิญท่านทั้งหลายแยกย้ายไปหาที่เรียนตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วละทิ้งคณะไปทำงานของตนเถิด รกรรมะปริพลด์นวกรรมการก่อสร้างชื่อว่ากรรมะคือการงานอันภิกษุผู้ทํานวกรรมนั้นจําต้องรู้ทัพผสมภาระที่คนงานมีช่างไม้เป็นต้นได้ไว้แล้วและยังหาไม่ได้ต้องขวนขวายดูแลในงานที่เขาทําเสร็จแล้วและยังไม่ได้ทําผู้ทํานวกรรมต้องมีปริโพลด์เผยเสทุกอย่างตรงนี้แหละแม้กรรมะปริพลด์นั้นก็พึงตาเสียด้วยว่ายังต่อไปนี้ ถ้างานเหลือน้อยพึงทำเสีให้เสร็จถ้าเหลือมากหากเป็นนวกรรมของสงศัยพึงมอบหมายแก่สงฆ์หรือแก่ภิกษุผู้นำภาระในสังฆกิจทั้งหลายหากเป็นนวกรรมส่วนตัวพึงมอบแก่ผู้นำภาระของตนไม่มีภิกษุผู้นำภาระเช่นนั้นก็พึงสละงานให้แก่สงฆ์แล้วไปเถิดอัฐานปริพลดการเดินทางชื่อว่าอัฐนะ ก็บรริภาษะเพิกขาของภิกษุใดมีอยู่ที่ไหนก็ดีปัจจัยชนิดไรๆอันภิกษุใดจะพึงได้อยู่ที่ไหนก็ดีถ้าภิกษุนั้นยังไม่ได้พบบรริภาษะเพิกขาและปัจจัยนั้นเธอไม่อาจหยุดยั้งอยู่ได้อันคามิกจิตคือความคิดที่จะไปแม้แห่งภิกษุผู้เข้าป่าทําสมณธรรมอยู่ก็เป็นของยากที่จะบรรเทาได้เพราะฉะนั้นเธอพึงไปจัดทำกิจน้ำให้เสร็จ แล้วจึงทำความขวนขวายในสมณะธรรมเถิดญาติปริพลบุคคลทั้งหลายที่จำต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอุปชญาสัทวิหาริกอันเทวาสิกพิสุร่วมอุปชายาพิสุร่วมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมีมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเป็นต้นชื่อว่าญาติ บุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นบริโภทศแก่พิสุนี้พระเหตุนี้บริพเทศนั้นเธอพึงตัดด้วยการอุปถากทําบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระบัญชายาเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วพึงปฏิบัติท่านจนตลอดชีวิตเถิดพระบรรพชาจารย์พระอุปสมบทาจารย์สัิวิหาริกอันเรวสิทธิตนโสตรกรรมวาจาให้อุปสมบทและให้บรรพชา และพิสุร่วมอุปช a r y a เป็นค่าก็พึงปรนิบัติอย่างอุปช a r y a นั้นเถิดส่วนพระนิสยาจาร์พระอุเทศาจารย์เนสยันเตวาสิกอุเทศันเตวาสิกและพิสุและพิสุร่วมอาจารย์พึงปรนิบัติเพียงที่นิสัยและอุเทศยังไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรปรนิบัติต่อไปอีกแท้ในมารดาบิดาพึงปรนิบัติเหมือนอยู่เหมือนในอุปช a r y a เถิด จิงอยู่มานาบิดานั้นแม้หากท่านเป็นผู้สดิจอยู่ในราชสมบัติถ้าท่านประชวนหวังได้รับการอุปถาคแต่บุตรไซฟิกษุก็ควรทําให้ท่านแท้อาหนงยาของท่านไม่มีก็พึงให้ยาอันเป็นของของตนเมื่อยาของตนไม่มีก็ควรแม้สแสวงหาด้วยพิษขาจานมาให้ท่านจงได้เถิดแต่สําหรับพี่น้องชายหญิงเป็นไข้พึงประกอบยาอันเป็นของขอ ง, ของเขานั่นแหละให้เขา ถ้าของของเขาไม่มีจึงให้ของของตนเป็นของยืมเมื่อหาได้ภายหลังจึงถือเอาคืนเมื่อหาไม่ได้ก็อย่าทวงเลยจะทำยาจะให้ยาแก่สามีของพี่น้องหญิงผู้มิใช่ญาติย่อกไม่ควรแต่พึงให้แก่พี่น้องหญิงบอกเขาให้แก่สามีของเขาในแม่ในภรยาของพี่น้องชายก็ดุดในนี้ส่วนบุตรทั้งหลายของเขาเป็นญาติของเธอแท้ เพราะฉะนั้นทํายาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่อมควร อ, อาพาธปริโพอดโรคชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเบียดเบียนเอาจึงชื่อว่าปริโพอดเพราะเหตุนั้นพึงตัดเงินสียด้วยการทําเพสัตรแต่ถ้าแม้เมื่อภิกษุทําเภสัตรรักษาอยู่สองสามวันอาพาธไม่สงบซายก็พึงตีเตียนอัตภาพว่าข้าไม่ใช่บาวไม่ใช่ลูกจ้างของเจ้า ก็ฆ่าเลี้ยงเจ้านี้แหละจึงได้รับทุกข์ในสังสารวัฏอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังนี้แล้วทำสมณะธรรมเถิดคันทะปริพลดการบริหารประยัดชื่อว่าคันทะการบริหารประหยัดนั้นย่อมเป็นปริพลดแก่พิสุผู้ขวนขวายอยู่เป็นนิดด้วยกิจมีการสาทะยาเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นปริพลดแก่พิสุนอกนี้คือผู้มาได้ขวนขวายไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันถะไม่เป็นบริโภทศสำหรับภิกษุผู้ไม่ขวนขวายและยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชิมภพานกะคือสวดมัชิมะนิกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลายขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาุโซท่านเป็นผู้ใดขนาดไหนในประยัติพระมัชิมภพานกะตอบว่า ท่านผู้เจริญมัชฌิมนิกายข้าพเจ้าชำนาญพระเถระกล่าวว่าอวโุโสอันมัชฌิมนิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปัณาสกะมัชฌิมปัณาสกะก็มาคระสาธยายมัชฌิมปัณาสกะเล่าอุปริปัณาสกะก็มาปนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเช่นนั้นที่ไหนคำฐานจะมีแก่ท่านได้เล่า พระมัชิมาพานะปฏิญาว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กรรมฐานในสำนักของพระคุณท่านแล้วจักไม่เดียวแลคันฐานนั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐานไปทำความเพียรไม่ได้ทํทำการสาธยายถึงสิบเก้าปีต่อปีที่ยี่สิบได้พระอรหันต